ก็เราได้ฟังคำตารวบเบื้องต้นของท่านอาจารย์หลวงสิงห์ปิยะศิโร่ท่านอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเมื่อก่อนก็ฝึกฝนอยู่ที่แพร่แสงเทียนหลังจากที่เข้มแข็งแล้วท่านก็ไปทําสํานักอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามบ้านเกิด ท, ท่านเมื่อวันก่อนมาเจอพระลาพูนลูปนึ่อยู่ทางบ้านโฮง ไปชวนมาฝึกที่นี่อย่างคุณพรนุ่มอยู่ไปอยู่ในสายงานของพระเทียนอยู่ที่ปทุมวิมขันเดินทางมาเยี่ยมบ้านก็ดีใจว่าท่านเป็นคนลวพูนต่อไปท่านอาจจะได้แวะเวียนมาช่วยทางนี้ก็ชวนทัดนเข้ามา ก, ก็มีพระที่จะเดินทางมาอีกสองสามรูปจากที่เด่นชัยแล้วก็จากที่ทางของแก่ ทั้งนี้มามีเวลาสั้นสามเดือนครั้งนี้ก็พระเน่งญาจุมก็อยากจะได้มาเข้าศึกษาร่วมกันในการศึกษาเนี้แล้วก็ใช้หลักวิธีการพอเทียนเป็นหลักเป็นแกนนำซึ่งหลายท่านได้ผ่านประสบการณ์มาบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่เข้มข้นเ ท, ที่ควร ทีนี้ในข้อ น, นี้เราก็คมจะเราปรัปบอินซีพอสมควรเพราะมันยากเข้าอ่าฤ ด, ดูร้อนเดินมีนาซึ่งต่างกับข้อแรกที่จัดกันเดินมกราซึ่งอากายกำลังสบายค่อนข้างหนาวเยน็น <c oughs> แต่พอเข้ามาเดินมีนานี้ก็เปลี่ยนไปเป็นฤดูร้อนนะซึ่งก็เราจะต้องเล่นเครื่องไปได้จากช่วงตั้งแต่เที่ยงไปต้นไปถึงบ่าย สามทุ่มบ่ายสีนนะ่โมงซึ่งเราจะเวลาเข้มข้นเราจะขาดหายไปมาสัก3าสีช่ชั่วโมงในช่วงนั้นซึ่งจะเริ่มต้นได้อีกทีหนึ่งหลังจากอนะาบน้ำอาบาแล้วก็หกโมงเย็นจงไปถึงประมาณสักสามทุนะ่เพราะฉะนั้นเ อ, องมากระเลอยากจะปรึก ษ, ษาในที่นี้ว่าเราจะ <c oughs> ใช้เวลาขนาดไหนถึงจะเหมาะสม แล้วก็ในแต่ละท่านมีพื้นฐานมาแค่ไหนเนี่ยเราจะได้ตรวจสอบกันต่อไปเพื่อที่จะจัดสรรเวลาให้แต่ละท่านได้ลงตัวซึ่งตอนเช้าก็ได้ประมนิเทศเล็กๆไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าครูจะต้องนํามากล่าวอีกครั้งหนึ่งในช่วงเย็นเพราะว่าหลายคนก็มากันครบพร้อมแล้วก็อีกเหลืออยู่เป็นส่วนน้อยนะะนั้นก็น่าจะ <c oughs> ปทมนิเทศหรือ orientation โดยเต็มรูปแบบได้ก็ในช่วงเช้าเนี่ยเรากล่าวถึงหลักการของพระพุทธเจ้าและวิธีการของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ให้แก่เราก่อนเป็นปฐมแล้วก็จะนำเอาวิธีการของพุทเทียนมาประยุกต์ใช้ <c oughs> ในหลักการในวิธีการที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้แล้วลมีหลัก การสามประการและมีหลักมีภาคทฤษฎีอยู่สามภาคมีภาคปฏิบัติอยู่หภาคที่เราพูดไปตอนเช้าก็าจะนำกลับมาทุทคนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนเช้าวัดฟังไปสองสามคนจะถือว่าเป็นการได้หลักการแจ่มชัดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ก็ที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้หลักสามประการก็ว่าสามข้อสัพพาปัสสะาการณัง การไม่ทำจิตให้เศร้าหมองโดยประการทั้งปวงทีนี้จิตของเรานี่จะเศร้าหมองไปด้วยอะไรเสียงมันดังวีดวีดนะตัวไหนเป็นเป็นเหตุคุณหมึกมาดูก็หันลำาพงออกก็ทั้งนี้เพื่อที่จะให้สมบูรณ์ทั้งหลักการวิธีการ ทั้งของที่พระุธองค์ทรงตรัสเอาไว้แล้วก็ที่หลวงพ่อเทียนนํามานําเสนอเรา <c oughs> ให้สอดคล้องกับอีซีของเรานะหลักสามประการที่พระองค์ตัดเอาไว้ในวันมาคบูชาก็คือหลักที่กล่าวมาแล้วคือไม่ทําใจให้เศร้าหมอง <c oughs> โดยประการทั้งปวงจะทําอย่างไรเพราะการที่จิตเราเศ้ามองแต่ละครั้งมันหมายถึงการทําบาป โดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามการไม่ทําบาปทั้งปวงคือการไม่ทําจิตให้เศร้าหมองโดยประการทัง้งปวงจิตของเราเศร้าหมองด้วยอะไรบ้างเศร้าหมองด้วยราคะโทสะและโมหะเมือ่อใดเราเกิดราคะโทสะโมหะทั้งแต่เล็กน้อยจนไปถึงมากก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทําให้จิตเศร้าหมองได้เหมือนกับดวงอาทิตย์แม้ว่าเมฆหมอกจะบงับงบางก็ทําให้เงามัน ปรากฏได้ถ้ายิ่งบางหลายชั้นเข้าหลายชั้นเข้าก็สามารถที่ทำให้พื้นผิวโลกนี้มุดไปได้เหมือนกันนี่เรียกว่าจากเศ้าหมองระดับบางๆจนไปถึงระดับสนิท น, นี่คือมเมฆหมอกนั้นก็คือความคิดอันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงในภาษาชาวบ้านในภาษาพระก็เป็นราคะโทสะโมหะ ความจริงก็คืออันเดียวกั น, นถ้าว่าภาษาชาวบ้านคือความโลภโปรดหลงถ้าว่าภาษาพระก็ราคาโทสะมุหะราคากับความโลภเป็นเรื่องเดียวกันคือมัก อ, อยากได้ยินดีอยากได้ในสิ่งที่เป็นวัตถุรูปเสียงกิริสัมผัสทั้งหลายเรียกว่าความโลภหรือราคาในเมื่อมันไม่ได้ตามอยากก็เกิดไม่พอใจเรียกว่าโทสะ เมื่อได้ตามใจก็ลบต่อไปอีกถ้าไม่ได้ตามใจก็เกิดโทสะเพราะฉะนั้นราคะโทสะจึงเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าหมองของจิตทำไมจึงมีทั้งสองตัวนี้ก็มีพอมีตัวที่สามเป็นตัวพี่เลี้ยงอยู่คือตัวโมหะกอความหลงก็ความไม่รู้เท่าทันราคะโทสะจึงมาบดบังจิตนั่นนั้นเราจึงมากาจัดตัวที่สามเลยทีเดียวเมื่อกาจัดตัวที่สามได้ ตัวที่หนึ่งที่สองก็เกิดไม่ได้เนื่องจากความหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงเราจรึงอยากได้เนื่องจากความหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงเราจรึงนะพอใจไม่พอใจนะอ น, นี่คือความหลงหรืรอโมหะนี่ก็คือเกิดจากอวิชชา <c oughs> ดังนั้นถ้าหากว่าจิตใจของเราจะมัวมองด้วยราคะโทสะเราก็ต้องทําตัวปัญญาคือตัววิชาให้เกิดขึ้น ถ้าตัววิชารู้เท่าทันเมื่อความอยากเกิดขึ้นเรารู้เท่าทันเสียมันก็ห ย, ยุดอยากมเมื่อความไม่ได้สมอยากเกิดขึ้นเราไม่พอใจเรารู้เท่าทันเสียความไม่พอใจก็หายไปแทนที่มันจะขยายวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นเหมืนเมฆหมอกที่มันขยายตัวพอเรารู้เท่าทันปับ๊บนั่นก็หมายความว่าพระอาทิตย์ได้ขยายแผ่ราศีแรงขึ้น ถ้ไม่เมฆหมอกที่หมุดบางชัวโมนาถูกแผดเผาจนสลายไปนั่นก็คือไปเพิ่มความร้อนแรงให้กับแสงพระอาทิตย์เหมือนกับเราเพิ่มความร้อนแรงให้กับแสงแห่งสติสมาธิและปัญญา <c oughs> ให้รุนแรงขึ้นจนกระทั่งความเศร้าหมองอันเกิดจากราคาโทสะบดบังไม่ได้นี่เรากําลังมาทําอันนั้นนี่คือหลักการเนี่ยหลักการนาทีหนึ่งทีนี้หลักการนาทีสอง นอกจากว่าไม่ทําจิตให้เศร้าหมองด้วยความชั่วแล้วสองจิตไม่ต้องเศร้าหมองด้วยความดีด้วยความดีก็ทําให้จิตเศร้าหมอง <c oughs> เช่นเราอยากจะให้นักปฏิบัติของเราเนี่ยมีความตั้งใจจริงจังปฏิบัติแล้วได้มักได้ผลแต่พอมันไม่เป็นไปตามที่เราหวังเราก็อ้รู้สึกเศร้าเสียใจคอันี้ไม่ได้เลื่องเลยนักปฏิบัติไม่ตั้งใจอืดี อะไรที่มีปัญหาเราก็เสียใจนี่เขาเรียกว่าเราติดยึดติดดีความดีก็บังใจของเราเราอยากจะให้มันเป็นได้อย่างใจแต่พอไม่ได้อย่างใจความดีก็กลายเป็นความชั่วมาบังใจจากเมฆหมอกบางๆเบาๆกลายเป็นหมอกเมฆหมอกที่หนาทึบขึ้นมาทันทีเห็นไหมความดีก็บังใจเราได้ถ้าเราไปยึดดี ความชั่วก็บางใจและก็ได้ท้าเราไปยึดชั่วเพราะฉนั้นเราไม่สามารถข้ามความมีความชั่วให้เกิดแก่จิตเราได้แต่ว่าเราไม่ยึดนั้นได้อยู่เพราะดีชั่วถูกผิดนั้นเป็นเป็นจิต เ, เป็นทางผ่านของอารมณ์ทั้งดีทั้งชั่วเพราะความดีก็เป็นพลังชนิดหนึ่งความชั่วก็เป็นพลังชนิดหนึ่ง ใครบ้างปฏิเปฏิเสธว่าเวลาเราแกงเนี่ยพริกมันเผ็ดทาไมเราใส่พริกเกลือมันเค็มทําไมเราใส่เกลือเนื้อปลามันเหม็นมันข้าวทําไมเราใส่เนื้อใส่ปลาเข้าไปใครบ้างเคยคิดเรื่องนี้ถ้ามันไม่ใส่เป็นไงก็ไม่เป็นรสเป็นชาติใช่ไหมทั้งที่เกลือมันเค็มพริกมันเผ็ดเนื้อมันขาวปลามันขาวแต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มันกลับไม่อร่อยใช่ไหม เพระนั้นตัวแปรที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นอาหารขึ้นมาทั้งๆที่เป็นพิษตัวแปรมันคืออะไรใครนึกออกบ้างตัวแปรที่จะทำให้สิ่งพิษเหล่านี้กลายเป็นอาหารมัชชิมาปฏิปทาเมื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีพิษภัยแต่ใส่เพียงพอดีก็จะกลายเป็นยา สิ่งที่เป็นพิษภัยถ้าใช้เพียงพอดีมันกลายเป็นยาจริงไหมแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่ดีๆถ้าใช้มันเกินไปมันกลายเป็นยาพิษ อ, อันนี้มันติดของจริงแต่เรามักจะนึกไม่เคยถึงนะไอาการยึดดีติดดีเนี่ยมันกลายเป็นยาพิษได้ยาพิษสำหรับใจเราเองแหละเจ้าสํานักหลายแห่งที่ไม่ก้าวหน้าทางด้านภูมิธรรมเพราะไปยึดดีว่า เราจะต้องแพลนว่าสำนักของเราต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่พอมันไปเป็นตามอย่างที่เราคิดมันก็เลยเป็นพิษสำหรับใจเราก็ถ่วงความก้าวหน้าในการปฏิบัติได้อันนี้ต้องพึงระวังสำหรับผู้ที่ทำแล้วก็ <c oughs> หลักประการที่สความชั่วก็เป็นเครื่องบดบังเศ้ามองจิตความดีก็เป็นเครื่องบดบังเศร้ามองจิตถ้าเรายึดดียึดชั่ว ประการที่สามท่านบอกว่าให้ชำระออกทั้งดีทั้งชั่วสัจจิตาประโยชนธรรมนังหลักที่สองด้วยว่าความดีก็ไม่ควรเอาความชั่วก็ไม่ควรยึดความชั่วไม่ความก็ไม่ควรจะมีความดีไม่ควรจะยึดก็ด้วยหลักประการที่สามคือสลัดออกทั้งสองอย่างได้ว่าสัจจิตาประโยชนธรรนังชำระจิตให้ปราจจกเครื่องเศร้าหมองทั้งสองอย่างเศร้าหมองด้วยดีก็ไม่เอาด้วยชั่วก็ไม่เอานั่นคือการใช้สติสัมมาชนญะชำระ อยู่เสมออันนี้หลักการสามประการเมื่อขยายออกมาเป็นพระไตรปิฎกก็คือการไม่ทำชั่วทั้งปวงก็คือหลักของพระวินัยปิฎกการทำดีแต่ไม่ยึดเป็นหลักของพระสุตตันตปิฎกการชำระจิตของตนของตัวเองให้ผ่องใสเสมอเป็นหลักของพระอภิธรรมปิฎกทั้งสามปิฎกรวมกันแล้วเป็น 84% ดหมี่พันพระธรรมขันธ ที่หลักสามประการเนี่ยจะนําไปสู่ลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไรท่านก็ตรัสไว้ถึงวิธีการไว้หกอย่างหลักการประการที่หนึ่งท่านบอกว่าขันติป ร, รมังตะโปตีติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเห็นไหมทีนี้ไอขันติเนี่ยเวลาเขียนเป็นภาษาบาลีท่านเขียนว่าขันติถ้าเขียนเป็นภาษาไทยว่าขันติขันติแปลว่าอะไร ความอดทนความอดกันคณติไปว่าขุดนะเป็นเช้าพูดถึงเรื่องขุดบ่อน้ําถ้าหากว่เราขุดลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปจากชั้นดินเป็นชั้นทรายจากชั้นทรายเป็นชั้นเลนจากชั้นเลนเป็นชั้นตุ่มจากชั้นตุ่มเป็นชั้นทรายจากชั้นทรายเป็นชั้นหินจากชั้นหินเป็นชั้นดานแล้วก็ไปเจอน้ําแล้วแต่ว่าน้ําจะอยู่ชั้นไหนแต่ท่านบอกว่าน้ําใต้ชั้นหินนี่เป็นน้ําถาวรที่สุด แต่น้ำใจชั้นเหนือหินชั้นทรายขึ้นมาเนี่ยไม่แน่นอนมีโอกาสแห้งเพราะฉะนั้นเราจะขุดถึงระดับไหนแหละในระดับผิวดินชั้นที่หนึ่งผ่านผิวดินไปไต่ระดับผิวทรายระดับที่สองจากผิวทรายไปเป็นระดับผิวหินกรวดระดับที่สาม จากหินกรวดไปเป็นหินดานระดับที่สี่พอทะลุดานก็เป็นน้ำแล้วเท่านี้น้ำอาจจะมีตั้งแต่ชั้นดินชั้นหินชั้นทรายลงไปแต่น้ําเหล่านี้อาจจะไม่ยิ่งยั่งยืนแต่พอทะลุชั้นหินลงไปน้ํายั่งยืนเพราะน้ําอยู่ใต้หินนะแต่ของใครจะลึกจะตื้นนั้นแล้วแต่ใครสะสมความดีความชั่วของมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะคนที่อายุมากแล้วค่อนข้างสะสมมาเยอะถ้าเป็นการขุดบ่อน้ําก็ลึกกว่าเพิ่นหน่อย แต่สำหรับคนหุ่มคนสาวเนี่ยอาจจะตื้นกว่าเพื่อนหน่อยเพราะว่าไม่ได้สั่งสมมาเยอะพึ่งเกิดมาไม่กี่สิบปียี่สิบปีสามสิบปีก็อาจจะไม่ได้สั่งสมความดีความชั่วม า, มากนะักแต่ว่าอายุสี่สิบห้าสิบหกสิบปีไปแล้วก็ริ่มหนาตื่นแล้วต้องใช้แรงขุดเรืออายุมากแรงก็น้อยก็ยิงขุดลําบากแต่คนหนุ่มคนสาวมันไม่ลึกก็ขุดได้ไวขุดได้ถึงน้ําได้เร็วนะ น, น, นั้นต้องใช้วิธีขุดเรียกว่าขันติจะขุดถึงน้ำนะขันติท่านบอกว่าขุดถึงน้ำแล้วเป็นไงนิพานังปรามังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าน้ําคือพระนิพานนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าน้ําเย็นเย็นคือน้ําแห่งพระนิพานนั้นเป็นสิ่งประเสริฐ นิพพานนำประมังวันนีพุทธภูรุทกล่าวว่าพระนิพพานนั้นเป็นธรรมอันสูงท่านภูทั้งหลายกล่าวว่าความเย็นแห่งน้ําอมาตะฤทธิ์นั้นเป็นสิ่งสูงสุดที่เราปรารถนาคือน้ําใต้หินเป็นน้ําเย็นอ่าอันที่หนึ่งขุดแล้วต้องการอะไรต้องการนิพพานคือน้ําเย็นวิธีการทำไงอนุปวาโทอนุปค่าโตการไม่ผู้ร้ายการไม่ทําร้ายตนเองและผู้อื่นอ่า ปรูปรคาตโตะสมณูโหติวิหิทยันโตการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นอันแรกนั่นคือไม่ไม่ทําร้ายอ่าตนเองอันที่สองไม่ทําไม่ไม่ทําร้ายตนเองและผู้อื่นอันที่สองไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการเบียดเบียนก็ดีการทําร้ายผู้อื่นก็ดีเขามีศีลธรรมมีกฎหมายมีอวัฒนธรรมประเพณีคอยปกป้องอยู่แล้ว ไม่มีใครทําหรอกคนที่เข้ามาสู่ศาสนาไม่เบียดเบียนคนอื่นหรือไม่ทําร้ายผู้อื่นแต่ว่าการทําร้ายตัวเองยังมีอยู่การเบียดเบียนตนเองยังมีอยู่เช่นเราปล่อยให้ราคะรุมเร้าเราถือว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเองเราปล่อยให้โทสะแผดเผาเราถือว่าเป็นการทําร้ายตัวเองเราปล่อยให้โมหะควบคุมเราก็ถือว่าเป็นการเบียดเบียนและทําร้ายตัวเองนี่อันที่หนึ่ง คือการมีความอดทนอันที่สองต้องอทำน้ำเย็นเนี่ยให้ปรากฏทำใจเย็นเย็นอย่าใจร้อนทนว่าแต่ยีจีนเขว่าอันที่สามไม่เบียดเบียนตนเองไม่ทำร้ายตนเองและผู้อื่นอันที่สี่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเรายังเบียดเบียนตัวเองอยู่โดยราคาบางโดยโท่สะบัางโดยโมหะบ้าง ด้วยความ โ, โรคปวดหลงบ้างชื่อว่าเบียดเบียนตนเองอ่าเมื่อเบียดเบียนตัวเองถึงที่สุดแล้วไม่สามารถเก็บอาการได้ก็ต้องมันต้องไหลไปสู่การเบียดเบียนผู้อื่นและทำร้ายผื่นในที่สุดมันต้องคนไหนที่จะเบียดเบียนตันเองหรือทำร้ายตัวเอ ง, งได้นั้นไม่มีที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นขณะตัวเองยังทําได้เลยขณะตัวเองยังทําร้ายได้ขณะตัวเองยังเบียดเบียนได้ผู้อื่นก็ไม่มีเหลือนะฉันบอกว่าอย่าทําทั้งสองอย่างอันที่สาม ปาติโมเคจะสั้งวรูให้นระรังสังวรเราอยู่ที่ไหนก็ตามมีกฎมีระเบียบมีกติกาก็ให้เรารมระวังนะแต่ว่าในตามหลักก็คือมีศีนนั่นเองนะแต่ศีนนี่ยไม่ได้ศีนห้าศีนแปดศีนสองร้อย่ิบเจ็ดแต่เป็นกติกาของศีนสังคมของที่นี่ที่นี่เขาต้องการอะไร ถึงเช้าตีสี 4, ่ลุกขึ้นมาปฏิบัติออกกำลังกายเดินจงกรมทาโยคะก็แล้วแก่ชั่วโมงแรกตีสี 4, ถึงตีห้าตีห้าเราก็มารวมกันทำวัดเช้ า, าแล้วก็นั่งปฏิบัติรวมกันถึงหกโมงจากหกโมงเป็นต้นไปญาติโยมก็ศึกษาาธรรมสอบอารมณ์กันครัง้งต่อปิธบาภ ได้ขา ว, ว่าพรุ่งนี้พระจะออกบิณฑบาตนะนะข่าวกรองหรือเปล่าลุงนะใยญ่ยมพวกใหญ่ทราบแล้วนะอ่ อ, นะนะอันนี้คือกติกาที่เราใช้กันที่นี่แล้วข้อเจ็ดโมงพระกลับมาก็ฉันเช้าแต่ยมบอกว่าช่วงเช้าก่อนบิณฑบาตครึ่งชั่วโมงเนี่ยพระก็จะรับอาหารว่างจะเป็นผลไมข้ขนมนมเนยก็แล้วแต่พอหลังท้องเจ็ดโมงไม่ต้องรับอีกใช่ไหมรับพระรับเช้าไปเลยใช่ไหม เจ็ดมงกับบินทบาทมาก็อาหารบินทบาทนั้นเป็นอาหารเพลินอันนี้ก็เอามาก็รับเจ็ดมงเหมือนเดิมนะไม่ได้ออกบินทบาทนะแกก็รับร่วมกระยมแหละอันนี้คือกติกาเบื้องต้นเสร็จแล้วพอรับอาหารเช้าครบเล็ดปลายเสร็จก็แปดโมงเราก็ทําภารกิจเสร็จแล้วก็เริ่มต้นปลารบความเพียนซึ่งก็กระจายไปตามชุ่มคลุมพุ่มไม้ คงไม่ต้องขึ้นมาสลาจนถึงช่วงเพลินสิบเอ็ดโมงทีนี้จากสิบเ็โมงถึงเที่ยงเป็นช่วงที่รับอาหารร่วมกันนี่จากช่วงเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งก็คงจะทำภารกิจส่วนตัวนะภารกิจส่วนตัวสักครึ่งชั่วโมงก็พอจากนั้นใครพร้อมก่อนเที่ยงครึ่งก็ออกมาปฏิบัติต่อซึ่งในช่วงบ่ายจาก ช่วงเที่ยงครึ่งไปถึงบ่ายสี่โมงเนี่ยเป็นช่วงที่อากาศร้อนแล้วก็หามุมเมาเองก็แล้วกันประมาณสักถึงสี่โมงเย็นนะก็เข้าปฏิบัติประจำที่ของใครของมันตามต้นไม้พอห้าโมงล้วก็ไปหาอับหน้าอับท่านี้เสียงะระฆังแล้วก็ถึงหกโมงเราก็เริ่มเข้ามาสู่ที่ปฏิบัติ ตามสนามขอบสัตท์ขอบร้องไร่ท้องนาจนกระทั่งอากาศสลุมสลัวประมาณใกล้หนึ่งทุ่มนะก็ขึ้นมาบนศาลาแล้วก็ทาวัดเสร็จก็ประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งะนะจากหนึ่งทุ่มคร่งถึงสองทุ่มเสร็จก็เป็นเวลาทาวัดและฟังธรรมแต่ถึงในช่วงดังกล่าว <c oughs> ก็อาจจะมีชาวบ้าน มาร่วมด้วยซึ่งก็แต่ละวันก็จะมีใจัดให้พระอาจารย์ท่านไปอ่าเชิญชวนแล้วก็มาทําวัดร่วมกันแล้วก็มาฟังธรรมร่วมกันซึ่งก็นี่คือกติกาที่ทํำร่วมกันถึงประมาณไม่เกินสามทุ่มเราก็ได้พักผ่อนนี่จิตวัดประจจุบันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ในรุ่นนี้เนี่ยมีทั้งคนคนใหม่มีกี่คนยกมือขึ้นด้วยคนใหม่เพิ่งมานี่มีกี่คน หนึ่งสองสามนะที่จะมาเข้าคอร์สนะสี่คนนะผููใหม่แล้วผู้ที่เคยปฏิบัติมาหนึ่งปียกมือขึ้นมีใครบ้างปฏิบัติมาหนึ่งปีสองคนปฏิบัติมาสองปีสามคนปฏิบัติมาสองปีปฏิบัติมาครึ่งปีมีใครบ้างหนึ่งคน โอ้หลายคราบมากเลยนะเพิ่งปฏิบัติมาได้เดือนเดียวมีไหมนอกนั้นปฏิบัติมาหลายปีแล้วทั้งนั้นใช่หมห้าปีขึ้นหรือเปล่าอ่าเอาละคุณหนุ่มเราได้กี่ปีแล้วดนนได้เดือนนึ่งได้เดือนนึ่งอ่ะโอ้ใช่แล้วว่านุ่มๆเลยอยมน่นอ่ะได้ <c oughs> ไดปฏิบัติฮะสามได้สามงานไม่ใช่สามปี ในสามปีอ่าก็สำหรับคนไหนที่มั่นใจว่าตัวเองเข้าใจรูปนามแล้วมีไหมยกมือขึ้นก็จะได้จัดโอ้ยังไม่มีเลยเหรออ๋อเข้าใจคนหนึ่งคนไหนเข้าใจอ่าพึ่งพึ่งเริ่มเริ่มจะเข้าใจแต่ยังไม่เข้าใจที่พื่งพึ่งเริ่มเริ่มจะเข้าใจมีม ไม่มีมีอยู่มีคนหนึ่ง <c oughs> หมายเพราะว่าเริ่มต้นใหม่กันหมดบ้างบหรอเนานะ <c oughs> คือที่ถามอย่างนี้เพื่ออะไรเพราะว่าจะได้รู้ว่าคนไหนเข้าใจรูปนามแล้วบ้างก็จะให้เก็บอารมณ์ไงแต่ถ้ายังไม่เข้าใจรูปนามยังไม่ให้เก็บอารมณ์เพราะติดอารมณ์แล้วมันแก้ยากแต่คนที่เข้าใจรูปนามแล้วไปเก็บอารมณ์เราจะแก้อารมณ์ตัวเองเป็นนะแต่ถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจรูปนามยังไปชัดไปเก็บอารมณ์เนี่ย มันจะแก้รงตัวเองไม่เป็นแล้วมันจะเสียเวลานะดังนั้นเองอ่าลุงพ่อว่าตอนเช้าว่าเอาใครเข้าใจรูปนามบ้างแล้วก็จะให้เก็บอารุณ์ใครยังไม่เข้าใจก็จะให้เก็บครึ่งหนึ่งนะแล้วใครยังใหม่ๆนี่ก็จะให้มาศึกษาปฏ <c oughs> ิบัติกับครูอาจารย์สักสองสาวันอืมเขาโทษบปติดวัดมาแต่ในภูเขา ก็เป็นอันว่านี่คือปฐมนิเทศนะข้อที่ว่าดิข้อโออาปาิโมเขจะสังวารข้อต่อไปข้อที่สี่มัตตัญญุตาจะปัตสัมมิรู้จักประมาณในการอยู่ในการกินในการนอนในการใช้สอยในการบริโภควัตถุปัจจัยสี่ถ้ามากเกินไปก็จะทำให้เราอืดอาด ไม่คร่องตัวถ้าน้อยเกินไปก็จะทําให้เราหิวหวย่ยไม่มีกําลังถ้าพอดีก็จะทำให้เราประคองตัวได้สบายทั้งวันแต่นั้นในช่วงสองสามวันหนึ่งก็ต้องหาความพอดีดูว่าขนาดไหนถึงจะพอดีนอนกี่ชั่วโมงถึงจะพอดีทานสักกี่จานถึงจะพอดีแล้วก็ปฏิบัติเดินจย ก, กงอมสักเท่าไหร่ถึงจะพอดีถ้านั่งนานเกินไปคนกว่าบบห่วง น่ะถ้าเดินนานเกินไปก็บอกฟุ <c oughs> ้งทีนี้ต้องหาตัวกลางให้เจอนะคนจริงแล้วในญี่ปุ่นสี่เนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนะแต่นอนสมมติว่ากลาคืนก็กนนกนแล้วกันนะใช้แค่สามพอยืนเดินนั่งถ้าสมมุติว่ายืนก็ยืนจงกรมน่ยสร้างจังหวะใช้เวลาเท่าไหร่สิบนาทีเดินก็เดินสักสิบนาทีนั่ง แต่นั่งนิย่เยอะหน่อยนะ <c oughs> นั่งนิ่เอาสักยี่สิบนาทีก็แล้วกันนะ <c oughs> คือปัญญาที่มันจะเกิดเนี่ยเกิดตรงที่มันได้มีอุปสรรคต่อสู้นะ <c oughs> ถ้าปฏิบัติไปแล้วไม่มีอุปสรรคนี่ถือว่าปัญญาไม่เกิดชาโยคาเวชายาเตภุริปัญญาจะเกิดต้องเกิดจากอุปสรรคที่ให้เราได้แก้ไขได้ประกอบ ถ้าไม่มีอุปสรรคให้แก้ไขปัญญามันไม่เกิดเพราะฉะนั้นระหว่างเดินกับนั่งเนี่ยอันไหนอุปสรรคมากกว่านั่งใช่ไหมเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวเงาเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเซ็งเดี๋ยวปวดเดี๋ยวงุดหงิดเดี๋ยวฟุ้งซ่านสลับฉากกันมาไม่ขาดใช่ไหมเสร็จแล้วเราทําไงยอมมันหรือแก้มันถ้ายอมมันก็เสร็จสิมันก็เผาเรานี่ยถ้ายอมมันก็กลายเป็นโมหะ ถ้สู้เราชนะก็เกิดเป็นปัญญาถ้าเราแพ้เป็น ไ, ไงถูกมลภาวะเอาวันนี้ได้สู้อะไรบ้างความงุ่งเหงาความขี้เกียจความเบื่อความร้อนความเิ้นความไม่สนุกเจอหลายตัวเลยวันนี้ปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นครูของเราทั้งนั้นเป็นเครื่องทดสอบเราขั้นนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องทำข้อสอบให้ผ่าน ง่วงเป็นข้อสอบตัวนึ่งที่เราจะต้องสู้ต้องแก้โจทย์มาให้ตกฟุ้งก็เป็นข้อสอบอีกอย่างหนึง่งต้องแก้โจทย์มาให้ตกเบื่อก็เป็นข้อสอบอีกข้อหนึ่งฟุ้งสร้างก็เป็นข้อสอบข้อนึงแต่ละข้อนี้ยากๆทั้งนั้นเลยนยะถ้าผ่านแล้วเป็นไงโอ้โหปัญญาเกิดเลิศเลยนะพอปัญญาเกิดแล้วไม่ยากแล้วทีเนี้วันต่อไปมัน อ่อนตัวจริงวันต่อไปยิ่งอ่อนตัวลงไปอีกวันต่อไปขายหมดเลยหมายความว่าเราตอบโจทย์มาได้หมดมันมาท่าไหนแล้วต่อไปปัญหาอุปสรรคมันมารอบแรกมันแรงมันรอบต่อไปก็จะเบาลงไปเบาลงไปเบาในที่สุดหมดมันก็จะเหลือแต่พลังกำลังที่จะต่อสู้กับตัวเองทีเนี้ยคําว่าตัวเองในที่นี้คืออะไรคือ อัตราตัวตนของเราที่มันใหญ่โตโมโหลานมาก่อนเราก็ต้องสู้มันจะชวนไปคิดอันนั้นมันจะชวนไปตรงนั้นมันจะชวนอันนั้นไปเรื่อยๆเราก็ต้องต้องสู้ตัวละเอียดลึกลงไปอีกเพราะว่าอุปสรรคด่านหน้าแรกที่สุดก็เรียกว่านิวรนที่กล่าวมาชุดเมื่อกี้นะอันที่สองนี่เราเรียกว่าตัวราคะโทสะและโมหะอ น, นี่ก็เรียกว่าตัวมานเลยทีเดียวนะ แล้วก็จะลึกขึ้นไปเป็นชั้นเนชั้นเป็นชั้ น, น, ช, นชั้นไปทีนี้ถ้าหากเราปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยมันได้ขุดค้นไอตสกรอนพวกนี้ให้มันขึ้นมาขุดค้นขึ้นมาเมื่อเราขุดบ่อขุดแร้วกวยเอาดินเอาเลนออกขุดแล้วกวยเลนหนักขุดแล้วกวยออกจนกระทั่งไปถึงชั้นน้ําก็ยังไม่พอใจตักน้ําเอาอีกน้ําก็ยังขุนแต่น้ําที่ออกมามันใสแต่น้ําที่มันออกมาแล้วมันกระทบกับความสกปรกที่ข้างบ่อมันก็ขุน จะทาไงโบราณเขาก็ไปซื้อดินเผามาประกอบเป็นวงเป็นบงเป็นบงนขึน้นถึงปากแล้วก็ปูนโบกเป็นขอบ <c oughs> <c oughs> เพื่อที่จะให้ตัวอิดเนี่ยที่ก่อขึ้นเนี่ยเป็นตัวกรองน้ำนะแล้วก็สายมาลงข้างๆแต่ปัจจุบันบอกว่าเขาไม่ใช้กันแล้วไอ้อิดดินเผานี่นะมันช้า เสียเวลาทางไงก็ไปซื้อกะ บ, บอกบ่อปูนมาเลยนะมาวางไปชั้นไปชั้นไปชั้นแล้วก็เอาปูนบกไม่ให้น้ำขุ่นมันไหลเข้าแล้วสายก็ถมไปลุกลงท น, นก็ดูดน้ำบอกเลยไม่ต้องตักดูดออกซึ่งจะแพ้พลัลมมาช่วยติดพัดลมตรงนี้ทีลมเป่าคอเสียหายหมดเลยเ อ, อดึงไงนั่นดอกไม่ต้องกลัวร้อนหายไปอื่นหานไปท้งอ่ น, น, น, น, น, นันนี้ไ อากาศเมืองไทยนี่แย่เนาะเพราะว่าเขาป่าเขาเมืองกันก็ดีนะมันร้อนจะได้เห็นว่าร้อนไปไงจะเห็นใจเราพอเราสามารถ ในการที่จะดึงดูดเอาตัวขุนมัวเศร้าหมองออกมาแล้วดึงน้ําขี้ต้มขี้โค ล, ลออกนักตักออกตักออกตักออกความคิดอะไรก็มาก็ตักออกความคิดอะไรก็มาก็ตักออกไปขุนมัวเศร้าหมองก็ตักออกในสุดน้ําที่มันออกมาก็มันจะใสใสขึ้นใสขึ้นในที่สุดน้ําก็ใสสะอาดตักนั้นเราก็ตักกินได้ตลอดไม่มีปัญหาเลยเห็นไหมแต่ของใครจะลึกจะตื้นนั้นแล้วแต่ว่าใครสั่งสมมาเท่าไหร่ บางคนก็ขุดไปไม่เท่าไหร่เจอน้าแล้วโอ้บางคนขุดไปสิบเมตรยี่สิบเมตรยังไม่เจอน้ำเลยเพราะฉะนั้นเราอย่าท้อขุดไปเรื่อยๆอันนี้คือตัวที่เรียกว่ารู้จักประมาณในการขุดในการบริโภคต่อมาท่านบอกปัญจจะศยานาสนังก็คือให้หาที่มุมสงบให้กับตัวเองให้ได้ มุมไหนที่สงบพยายามอย่าคุกคีกันคือหมายความว่าเราจะไม่ไปนั่งคุยกันแยกไปให้ห่างเพื่อนอ่าเพราะว่าในสถานที่ตรงเนี้มีล่มอยู่หลายจุดแต่ละจุดก็พออาศัยมีต้นลำไ ย, ยป่าไผ่ป่ากล้วยนพะพรัเราก็จะอยู่ซีข่ข้างนู้นข้างซายไปทางนู้นข้างซายชายหญิงผู้หญิงก็อยู่ได้ น, นี่คุณฟ้าก็พอหาได้ปัน่นตะไนย์เสนนการนอนการนั่งในจุดที่สงบเหมาะ การบำเพ็ญภาวนาจุดสุดท้ายท่านบอกว่าอาที่จิเตเจจะอาโยโคโก็คือเมื่อไปสู่ที่จุดสงบแล้วต้องขยันภาวนาคือทําจิตให้ยิ่งให้จิตให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่เวทนาของเราก็ยังอยากเพราะเวทนาร้อนใช่ไหมเวทนามันเผาเราในช่วงบ่ายโมงถึงสี่โมงเนี่ยเวทนาเราจะอยากมากคือหมายความมันทั้งร้อนทั้งแสบทั้งคันทั้ง อาตะวันตะวายเวทนาเราจะยากซึ่งมันจะเป็นเทคนิคเป็นศิละปะของใครข้องมันในการที่จะทำเวทนาตัวนี้ให้มันเบาบางให้มัน อ, อ่อนลงมาเนี่ยอันนี้ต้องใช้ศิละปะของตัวเองเนะช่วยกันไม่ได้แล้วแต่เราจะพลิกแพลงหาวิธีว่าจะทำให้ทุกขเวทนาเบาบางได้อย่างไรบางคนอาจจะหนีไปอาบน้ำบางคนอาจจะไป นั่งสงบๆได้ตรต้นล้มไม้ที่เย็นๆหน า, หามุมเอาแล้วก็ในช่วงเย็นก็มักจะมีเสียงส่งมาจากในหมู่บ้านอันนี้ก็คงจะเป็นบางวันนะจากจะนั่งจนมาถึงทุ่มหนึ่งเราก็หลังจากอาบน้ำอาท่าเสร็จแล้วก็มาลงปฏิบัติตั้งแต่หกโมงถึงหนึ่งทุ่มได้ยินเสียงละครั้งเราก็ขึ้นมาบนศาลาแล้วก็มา ทำไว้สวดมนฟังถามร่วมกันอย่างนี้ดังนั้นในช่วงปฏิบัติร่วมกันนี้ขอสักสามวันก่อนแล้ววันที่สี่ห้าหกเจ็ดแก่อนุญาตให้เก็บนน อ, กอารมณ์สามวันนี้คอยเช็คอารมณ์ส่วนตัวก่อนเพราะถามแล้วแต่และคนมีอารมณ์แตกต่างกันค่ขอนข้างยากหลากหลายนะดังนั้นขอปรับอินรีย์สักสามวันซึ่งก็ถ้าคนไหนตั้งใจทํา ก็สามวันนี้ก็พอเห็นลุงเห็นแสงแต่วันบ้างแล้วเขาเริ่มเห็นมีบุพนิมิตบุพนิมิตแห่งสติมีสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากครูบาอาจารย์กะยะัลยาณมิตรบุพนิมิตอันที่สองแล้วนำเอาคำแนะนำที่ครูบาอาจารย์ให้ไปทำอย่างถูกต้อง ท่านบอกว่าทั้งสองอย่างนี้เป็นปุพานิมิตแห่งสัมมาทิฏฐิเมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิแล้วท่านบอกนั่นคื อ, อรุ่งอรุณแห่งอริยมรรคเหมือนกับตอนเชา้าเราจะเห็นแสงเงินแสงทองขึ้นทางทิศตะวัอนออกฉันใดเมื่อเราได้คําแนะนําที่ถูกต้องและการปฏิบ ok. ัติทําตามอย่างถูกต้องนั้นก็เกิดปุพานิมิตคือรุ่งแสงแห่งสัมมาทิฐิแห่งมรรคผลก็จะเริ่มข ja ึ้น เราก็จะเริ่มเห็นเส้นทางนั่นคือเห็นว่ากายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรรูปเป็นอย่างไรคนนด้านเอามาอบรมครูที่ที่ลานนาลีสตรตั้งคําถามเขาในที่นี้อาจจะนํามาทวนหรือว่าสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาทั้งหมดสิ่งที่เรายินได้หูทั้งหมดสิ่งที่เรากระทบกลิ่นจมูกทั้งหมดสิ่งที่เราลิ้มรสทั้งหมดสิ่งที่สัมผัสด้วยกายทั้งหมดเนี่ย เราบัญญัติมันว่าอะไรรูปเสียงกิ่ลสสัมผัสเหล่านี้เราบัญญัติว่าอะไรขอสอบข้อที่หนึ่งถ้าใครตอบได้ก็จะมีข้อสอบข้อที่สองตามมาผู้ที่เข้าไปรู้สิ่งนี้เรียกว่าอะไรถ้าใครตอบได้ปัญหาข้อที่สามก็ตามมาว่าสิ่งที่ถูกรู้นั้นเรา ให้ชื่อเดียวก็ได้ให้หลายชื่อก็ได้การที่ให้ชื่อเดียวนะั้นเราควรจะเรียกชื่อว่าอย่างไรการให้หลายๆชื่อแล้วเราควรจะเรียกมันว่าอะไรปรากฏว่าพอข้อสอบข้อที่สามเท่านั้นก็ทุกคนก็จอดสนิทเลยนะข้อที่หนึ่งที่สองพอตอบได้ข้อที่สามนี่ก็ไปไม่ถึงนะแต่ที่นี่เราสอบกันมาหลายสถามแล้ว ข้อที่หนึ่งทุสองตอได้สบายมากใช่ไหมคงจะลัดไปข้อที่สามเลยใช่ไหมฮะโยมลัดไปข้อที่สามเลยได้ไหมคุณหมึกไม่ครับอ้าวอ๋อเลยคุณหมึกก็ปฏิบัติมาเยอะแล้วนี่นะต้องถามทุกคนแหละนะให้ไปถามตัวเองปัญหาสามข้อนี้ว่าสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดเราเรียกคำเดียวว่าอย่างไรและเราเรียกหลายชื่อว่าอย่างไร และผู้รู้สิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่เราเรียกว่าอะไรอ่ราแล้วก็นี่คือข้อสอบ <c oughs> ที่เราต้องไปคิดพรุ่งนี้ถ้าใครตอบได้ก่อน <c oughs> ก็จะให้เขาเก็บอารมณ์ทันทีถ้าใครยังตอบไม่ได้ก็ผ่านไปเรื่อยๆจนกว่าจะตอบได้ตกลงไหมตกลงนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ตกลงก็ต้องตกลงแล้วหลวงพ่อเป็นคนตั้งปัญหา ก็มันต้องมีสิ่งมีข้อสอบ น, นะเมื่อนั้นเราไม่รู้ว่าเราก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าจำได้ไหมข้อที่หนึ่งสิ่งที่เราสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดเรียกว่าอะไรถ้าจะเรียกมันหลายชื่อคนจะเรียกว่าอะไรและผู้รู้สิ่งที่มากระทบทั้งหมดที่ <c oughs> ถ้าเรียกชื่อเดียวว่าอะไรถ้าเรียกว่า อีกชื่อหนึ่งที่ลึกลงไปกว่านั้นเรียกว่าอะไรสาวบ่เนาะเอาละเอาไปชีดนะพูุ่นี้ใครตอบได้ก่อนมาบอกเลยแล้วจะให้เขาเกี่ยวอารมณ์ ก, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เป็นนั้นว่าเราได้ปะทนนิเทศกันมาพอสมควรแล้วใครมีข้อสงสัยอะไรไหมก่อนที่จะจบรายการ ถามก่อนได้เลยแต่อย่าถามปัญหาที่ถามไปเมื่อกี้นะตอบว่าอย่างไรไม่เอานะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขาสอบรั่วปรากฏว่าวันนั้นแลังถามว่าเด็กชุดแรกตอบได้สองคนคนที่ตอบได้ทั้งสองข้อนัดตอบได้มีสองคนคนที่ตอบข้อเดียวมีอยู่หกคนนะนอกนั้นตอบไม่ได้เลยสิบกว่าคน เขาเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นกันมาก <c oughs> เขาค้นหากันต่อบนตุ๊ตดุ๊ดเลยนะก็ปรากฏว่าครูเขาที่เขาอบรมก็รู้สึกเออเขาตั้งใจกันนะหลังจากได้รับปัญหาแล้วตื่นตัวหาคําตอบมันใหญ่นะก็ปรากฏว่าเขาได้อารมณ์กันในวันต่อมาพอในการค้นหาตัวเองใช่ไหมวันกันก่อนมีแต่ค้นหาแคบนอกวันต่อมาพอได้ตั้งคําหาคําตอบค้นหาตัวเองกัจ ก, การใหญ่ ก็ปรากฏว่าผสมผสมเสร็จในข้อสอบชุดนั้นแต่ว่าเอามาสอบกับพวกเราวันเดียวก็ได้เนะพวกนี้เนาะวันต่อไปก็ได้ออกปัญหาชุดใหม่แต่ว่าห้ามาไปปรึกษากันนะคิดใครคิดมันถ้าไปปรึกษากันจะรู้ว่าใครนั่ออกมาก็แสดงว่าคําตอบเดียวกันแสดงว่าไปถามข้อสอบกันแล้วก็จะตอบสอบจบฟนะาวถือว่าฟาวต้องทำข้อสอบใหม่เลยก็ไม่มีใครถามอะไรเนาะมีไหมโ ย, ยมมาใหม่ด้านหลังนู้นนะ่ะ ถ้าไม่มีก็